งแค่รู้สึกตัวเนี้ระดับโหลแล้วนะจริงจรยิงร่งกว่าโหลเรียกกุรุษกุรุษนะสิบสองโหลมาถึงยุคนี้ใครๆเขาก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้แยกธาตุแยกขันธ์เยอะแยะไปหมดเลยอย่างพวกเราในห้องเนี้ยจํานวนมากเลยแยกธาตุแยกขันธ์ได้ไม่จะเริ่มเห็นว่าร่างกายเขาส่วนนึงใจเขาอยู่อีกส่วนหนึ่งคละอันกั น, นความสุขความทุกข์ ก็คนละอานกับร่างกายคนละอันกับจิตใจกิเลส ท, ทั้งหลายหรือกุศลทั้งหลายก็คนละอันกับใจแยกได้แต่จะแยกได้เป็นคลาลนะมันรู้สึกตัวขึ้นมามันก็แยกได้ขาดสติลืมตัวมก็เข้าไปรวมกันอีกก็ค่อยๆฝึกไปมาถึงวันนี้ถ้ายัางแยกธาแยากขันธ์ไม่เปน็นก็ถือว่าช้าไปหน่อยแล้วช้าไปต่อยฮะสมัยมก่อนก่นโอไม่รู้มันเป็นใครต่อย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 ไม่ให้ตื่นแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยสบายบางคนก็เรียนกรรมฐานนะแล้วก็ฝึกจิตใจให้สงบนิ่งนิรันดรรู้ตัวอยู่เฉยประคองความรู้สึกตัวอยู่เฉยเฉยเพราะนั้นไม่เดินปัญญาเลยนะไม่มีโอกาสได้มรรคได้ผลอะไรหรอกถ้าจะได้มรรคผลนะมันจะต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์เพาเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย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 แยกธาตุแยกขันได้ก็ถือว่าดีแยกอยู่กันแหละไม่เห็นใจ ร, รักสักทีเห็นร่างกายมันทํางานเห็นร่างกายมันเดินอย่างเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจจ้องอยู่กับร่างกายอย่างนี้ถือว่าไม่ดีอีกแล้วละ่ะทีแรกก็ว่าดีนะนานนานไปถือไว่ใช้ไม่ได้ไย่าเท้าอยู่กับที่ต้องค่อยๆดูใจรักนะถ้าเห็นใจรักของกายเห็นใจรักของใจได้ถือว่าดีจนเห็นแะล้วเนี <S <S ่ย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 จิตมันสามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่เจตนานี่สมาธิอัตโนมัติเกิดนะค่อยๆฝึกแต่ตั้งแต่เริ่มต้นศีล น, นะจนทีแรกก็ศีลตั้งใจต่อไปเป็นศีลอัตโนมัติสมาธิทีแรกก็ต้องคอยตั้งใจต่อไปเป็นสมาธิอัตโนมัตินะถึงขั้นปัญญาเราก็ต้องรู้นะการปัญญานะแยกรูปแยกนามได้ก็มีปัญญาแต่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาะ วิปั ส, สนาเนี่ยเห็นแจ้งเห็นจริงต้องเห็นรูปแต่ละรูปนั้นแสดงใจรักเห็นนามแต่ละนามแสดงใจรักเนี่ยขึ้นวิปั ส, สนาเดินปัญญาถึงขั้นวิปั ส, สนาปัญญามีสองขั้นนะปัญญาในขั้นซึ่งยังไม่เป็นวิปัสนากับปัญญาในขั้นที่เป็นวิปัสนาปัญญาในขั้นที่แยกรูปแยกนามได้เนี่ยยังไม่เป็นวิปั ส, สนานะแต่เพราะว่าพอแยกรูปแยกนามได้มันไปเพ่งรูปเพ่งนาม แย ก, กายออกมาได้ก็ไปเพ่งร่างกายหเห็นร่างกายมันเดินก็เพ่งไว้หรือไปแยกจิตออกมาได้ก็ไปเพ่งจิตไว้เฉยๆนะไม่เป็นวิปสัสสนาต้องเห็นไตรลักษ์รูปพอแสดงไตรลักษ์รูปร่างกายเราเนี้ยจะแสดงตัวทุกข์กับแสดงตัวอนัตตาได้เด่นนะส่วนนามธรรมเนี้ยจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาได้เด่นนะเนี่ยค่อยหัดรู้หัดดูไปเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้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 รูปมารูปอะไรที่เป็นภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดขณะที่บรรลุมาากรู้ผลเนี่ยจิตพ้นจากพบพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่ง น, นะในขณะนั้นเป็นโลกุตาละพ้นจากภพบพบทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอะไรพบทางใจนี่นะเกิดจากความจงใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาความจงใจอย่างเราจงใจจะปฏิบัติเนี่ยจิตจะสร้างพบทันทีเลย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 กิเลดับเองจิเลดับปั๊บเนี่ยศีลอัตโนมัติจะเกิดหรือจิตเราฟุ้งซ่านจิตมันเคลื่อนไปเรามีสติรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดแล้วก็มีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาจะเกิดนะเพราะเราฝึกจนกระทั่งสติก็อัตโนมัตินะศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันก็ค่อยๆตามมา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 นะสมาติพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะจิตมันตั้งเองอย่างทีแรกเราฝึกเราเห็นจิตเคลื่อนเนะรารู้มันก็กลับมาเห็นไหมอยู่ได้แป๊บเดียวก็เคลื่อนอีกก็กลับมาฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยนะจนบุญบรารมีพอเนี่ยมันเข้ามาเองเลมันเข้ามาเองแล้วคราวนี้สติระลึกรู้ลงที่จิตนะไม่ระลึกรู้อารมณ์ภายนอกแล้วนะสติระลึกรู้ลงที่จิตเลยเห็นความปรุงแต่งภายในจิตเกิดขึ้น สองขณะสามขณะปรุงขึ้นมาในจิตนี่เองนะปัญญาก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างรู้ลงมาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนีย่ยปัญญามันรู้แต่ตรงที่ปัญญารู้ในขั้นนี้ไม่มีคําพูดนะถ้านั่งสมาธิอยู่จิตมันพูดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับยังไม่จริงหรอกนะนจริงไม่มีคําพูดหรอกนะมันเหนือคําพูดตรงนี้ไม่ได้เจตนาบางทีเภาวนาไปเรื่อยๆนะได้ยินเสียงอีการ้อง ได้ยินอีการ้องเพบจิตรวมเข้าฐานขาดเลยก็มีนะอใครเคยรู้จักชื่ออีกิวสังบ้างรู้จักไหมรู้จักหลวพ่อยังไม่รู้จักเลยตายไปตั้งนานแล้วะอีกิวสังนะตามประวัติเนี่ยซาตโตริได้ธรรมะข่าวแรกได้ยินอีการ้องจิตรวมเข้าตื่นจิตนะแล้วพวกเราไปอ่านประวัติอีกิวสังโอไ้ได้พระอีกาเวหาอีกามาเลี้ยงที่บ้านเนาะ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 พอเป็นเอตทัคคะทางไม่เจ็บป่วยแล้ถ้าท่านรับรองนะอีกแสนกับข้างหน้าเราก็ได้แล้วล่ะเนี่ยสิ่งอลไรที่อัตโนมัติไปหมดนะจนอัตโนมัติค่อยๆฝึกไปเบื้องต้นไม่อัตโนมัติเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนแต่รู้ทันว่ายังจงใจเพราะจงใจของเราจะเจื้อโลภจะเป็นโลภะเจตนาเสมอเวลาคิดถึงการปฏิบัติโลภไหมแน่นไหม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 แาต่ไปไม่ค่อยอัตโนมัตินะสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติศีลอะไรตอนอะไรมันอัตโนมัติหมดคุณงามความดีอัตโนมัติหมดถึงจุดหนึ่งเนียความดีมันรวมตัวเข้าที่จิตรวมพลังเข้าที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวนะอริยามรรคจะเกิดนะพวกเราต้องฝึกเอานะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้หรอกคนสองคนนะสมมติเป็นเพื่อนกันหรือเติบโตมาด้วยกันคนหนึ่ง หักภาวนาคนหนึ่งไม่ภาวนาผ่านไปไม่กี่ปีสองคนนี่เหมือนฟ้าก็เหวแนะแต่เดิมก็อยู่ในก้นเหวด้วยกันนะคนหนึ่งตา ก, กายขึ้นมาปากเหวได้นะเังน้นพวกพวกเราถ้าไม่ภาวนานะนานไปเราจะเห็นคนรอบๆตัวเราที่สาราลูชินเนี่ยทำไมมันดูผ่องใสว่าทาไมหน้าตาเราเหมือนกวายเหย่ยนะดูไม่ได้เลยยับย่นยุยย่เครียดตลอดอย่างเงี้ย เน่นเราอย่าละเลยนะค่อยๆทำค่อยๆท ำ, ทำทำไปทีละเล็กทีละน้อยนะล้มลุกคลุกคลานก็ต้องทำนะคนโบราณสอนดีนะล้มลุกคลุกคลานเค ย, ยได้ยินไหมล้มแล้วต้องลุกนะคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปอย่ายคลุกอยู่ที่เดียวนะหมายถึงว่าต้องสู้ต้องดิ้นรนต่อสู้เอาความดีไม่ใช่ของฟรีนะมรคลไม่ใช่ของฟรีต้องลงตุนลงแรงแต่ลงตุนลงแรงแบบบัวแบบควายก็เหนื่อยเปล่านะ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 ค่อยๆทำใจดูไปเรื่อยลร่างกายมันถูกดูเพราะเราดูไปเรื่อยๆร่างกายกายใจมันจะรู้สึกว่าเป็นคนละอันพปแยกได้คนละอันแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอีดียบทนะนั่งไปให้นา น, นเอาให้เมื่อยไปเลยนะไหนๆอยากได้ธรรมะแล้วทนเมื่อยเอาหน่อยนะที่ช็อปปิ้งต้งหลายชั่วโมงเมื่อยจะตายไม่ว่าอะไรใช่ไหมนั่งสมาธิเดินจงกรมแป๊บๆโอ้ยจะขาดใจแล้วจิตใจมันท้อแท้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 นะจะสับกระสายแล้วอย่านั่งนานเลยนั่งมากกว่านี้นะเดี๋ยวจะเป็นอัมภะพาดมันสอนนะอืมอนสอนหรือนั่งมากอย่างเนี้เดี๋ยวหลวงพ่อประโมทติเตียนว่าเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยคนะอ้างไปนวด อ, อีกนะหลวงพ่อประโมทไม่เคยบอกเลยว่าอย่าเป็นอย่าไปนั่งแล้ว <laughs> นะนั่งเนี่จิตมันจะเริ่มหลอกหลอนเราจิตที่หลอกหลอนเราเนี่ยชื่อว่าสังขารนะมันสังขารมันปลุงมันหลอกแล้ว ปรุงน้นปรุงนี้นะปรุงความทุรนทุรายความห่วงใหญ่ร่างกายขึ้นมาบางคนก็ปรุงมากวูผู้นี้ต้องทํางานนะผู้นี้ต้องไปฟังเทศแต่เช้าเลยคืนนี้นอนดีกว่าอย่านั่งต่อเลยนะระหว่างนั่งสมาธิก็ไปฟังเทศแตละชั้นกันเลยนะถูกกกิเลลออลลหหอแ้ววว่งัตื่นสายเดี๋ยวมาฟังเ ท, ท้นนะนอนดีกว่าอย่าภาวนาเลยเนะี่ยใครเป็นอย่างนี้บ้างเมื่อคืนมีไห้ยกมือซิ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 ดูส่องหัวถึงเท้าส่องไปมาโอ้ขนตาเราสวยหาอะไรสวยไม่ได้ขนตาสวยก็ยังดีเนี<笑><笑>่เห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามพวกอย่างนี้วิปลาสเนี่ยปล่อยมางตอนนะเราสัญญามันเพี้ยนอยู่ดูของจริงไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันหายเพีย้ยนสัญญามันจะหายเพีย้ยนดูกายดูใจดูรูปดูนามดูเวทนาอะไรเงี้ยทางานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งสัญญามันหายเพีย้ยนว่าปัญญามันเกิด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 แต่เวลาที่ขันแสดงใจรักได้แล้วไม่ได้แสดงทั้งวันนะขันจะแสดงใจรักได้เป็นคร่าวๆแล้วเสร็จแล้วไม่จะกลับไปดูรูปดูนามต่อตรงที่มันอยา <Yes S 2> ่างมันเห็นร่างกายเห็นร่างกายพอ ง, พองร่างกายยุบนี่อันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตัวตที่เห็นเลยตัวทีพพพ่พองทุยยุบเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรามันถูกความทุกข์บีบคั้นนี่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นไม่ใช่คิดนะถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเห็นแลรูปพองรูปยุบไม่ไม่ใช่ตัวเราหรอก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 ไม่สวยอยางเขาไร่สาระดูไปดูมาไม่เอาไม่เอาเลยนะทําสมถะแล้วออกนอกไม่เอากลาเป็นทําสมถะแล้วค่อยรู้ตัวเรื่อยๆดูตัวเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งมาดูกายบ้างร่างกายมันระเบิดนะดูไม่นานมันระเบิดฟุ้งไปเลยนะกายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูตามไปอีกกายเป็นแสงสลายตัวรู้สึกจืดชูดไม่ถึงใจเจนกทั่งอายุยี่สเก้าไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตอุ้ยคราวนี้มัน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 แล้วตามมาไม่ค่อยสังเกตเห็นว่ามีแสงแสงนี้เด่นเจิตถึงจะวิ่งออกไปรับแสงนะเนี่ยมีกระบวนการนะหรือว่าเรานอนหลับลึกๆอยู่ได้ยินเสียงตื่นขึ้นมาทีแรกยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจะรู้อะไรด้วยเสร็จแล้วจิตตัวหนึ่งเป็นเลือกให้ไปฟังเสียงเสียงนี้เด่นเป็นอารมณ์ที่เด่นนะจิตก็วิ่งไปฟังเสียงโอ้เสียงคนกําลังงัดบ้านอย่างนี้นะจิตก็ตกใจขึ้นมาเนี่ยมันทํางานนะเห็นกระบวนการทํางานนะความปรุงความแต่งของมัน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 พเรียนไปมากๆก็มันก็เข้าใจขึ้นมาไดนะ้เห็นในทุกอย่างมันทํางานเองนะมันไม่มีเรานะมันไม่มีเราพวกเราก็ให้หัดดูดิมันไม่มีเราจริงๆหรอกความเป็นเราอยู่ที่คิดเอาเองนะก็ไปหัดดูเดี๋ยวก็เห็นหรอกนะฝึกไปเรื่อยๆไปทําเอานะอ่ะเท่านี้ก็แล้วกันอาว่ามากราบนัวัฏกาหลวงพ่อค่ะ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 หลายชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันนุ่มมันนิ่มผิดปกติคือมันจอมันทำอะไรมันก็จะพอดีอะท่านอาจารย์โยมก็เลยแบบก็มีแค่รู้เฉย นะตัวจิตเองมันก็ไม่นุ่มได้ทั้งวันหรอกมัน<ะ>ต้องแปรปลวนบ้าง<ะ>เว้นแต่ว่าเราไปติดสมถสะสักอย่างหนึ่ง<ะ>นะค่อยๆสังเกตเอาว<ะ>นะิธีสังเกตที่ดีที่สุดคือตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตมันวิ่งเข้าไปทางไหนนะคอยรู้ทันมัน<ะ>มันมักจะเข้าไปช่องเดิมนะแล้วก็ไปติดอยู่งั้นได้ทั้งวันนะนะจะได้ไม่ติดเนา ะ, ะอันนี้จิตสมถะใช่ไหมคะติด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 เห็นจิตจับอารมณ์แล้วก็คลายอารมณ์ตอนจับอารมณ์ก็ปั้นตัวปั้นตนได้เร็วขึ้นนะครับจิตถึงฐานไหมตอนนี้เลยแหละครับตอนนี้ออกนอกนะครับอืครับปกติออกอย่างนี้ไหมปกติก็โอภาสเยอะครับสว่างก<อ>ว้างใหญ่ถ้างั้นกลับมาทูก่กายไว้นะก็ย้อนมาที่กายย้อนมาที่ใจนะส่วนใหญ่เราจะไปติดมิปัสนูช่วโอภาสมิปัสนูเราอย่าไปกลัวมันนะ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 ไม่มีนอกไม่มีในแต่อย่างของเราเนี้ยจิตออกนอกแต่ออกนอกเราก็เข้าข้างในก่อนกลับเามาดูกายดูใจเดินปัญญาให้เต็มที่ก่อนครับสำ ร, ร, รับน้าสกานหลวงพ่อครับเมื่อสองปีที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อเ อ, อบอกว่าจิตมันไปสว่างอยู่ข้างนอกออืครับ <ừ> ก็กลับไปดูแล้วก็ไปสังเกตว่าเวลารู้เนี่ยมันไปรู้อยู่ข้างนอก <ừ> อนอก็ ทำความรู้สึกตัวก็ <LE> ร, รู้สึกกายให้มากขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าน่าจะรู้ตัวได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับ น, นีอย่างคือของคุณคืออันเดียวกันนะนะอันเดียวกับที่เขาส่งกันบ้านนั้นแหละปีไกลามาจิต<ช>ไปอยู่ข้างนอกสว่างว่างอยู่ข้างนอกแล้วก็บสบายอยู่งั้นย้อนมาดู ก, กายดู ก, กายแล้วจิตเข้าบ้านปัจจุบันรู้สึกว่า ร, รู้สึกตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นจิตมันทำงานแ <trabaj S 2> ช่แต่บางช่วงมันก็มีลงไปบ้าง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 เนี่ยเวลาจิตแอบไปคิดเนี่ยให้รู้ไวๆนะค่ะมันมันจะช้าหน่อยอืมมันจะคิดนานแล้วมันชอบมันรู้สึกสนุกที่จะคิดจิตมันติดความสนุกในการคิดใช่ค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะสรุปก็คือไปทาในรูปแบบอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไม่ใช่รู้เท้าน ะ, ะไม่ใช่รู้เท้าไม่ใช่รู้ท้องไม่ใช่รู้มือนะรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้จิตนีแล้ว ร, รู้ฝึกให้มาก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 แต่จุดสําคัญก็คือพื้นเราเนี่ยไม่แม่นพื้นเราไม่แน่นไม่ใช่ไม่แม่นนะไม่แน่นสมาธิเราไม่พอใจมันฟุ้งเก่งนะไม่ทราว่าจะต้องเพิ่มสมาธิไหมก็ทํากรรมฐานเดิมนี่แหละแต่ว่ารู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดควรจะน้อมบ้างไหมคะไม่น้อมมันหนีคิดอยู่แล้วไม่ต้องน้อมมันหรอกแล้วตอนตอนหลังอันนี้หนีคิดยังเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากเลยนะฝึกอย่างนี้ให้มากที่สุดเลย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 ไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เวรกรรมอะใครก็ใช้ให้ไปดูละครผีครับนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกครับเห็นแมกไกยกระจายเป็นโคลานเห็นเออเห็นแมกความสุขทุกขดีชั่วกระจายโคลานเห็นเห็นระหว่างกายกระจายดูอะไรได้บ่อยได้ชัดกว่ากันมันสลับกันครับที่ทําอยู่ก็ถูกแล้วล่ะไปทําอีกอื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 เนี่ยดูทุกอย่างเลยนะมีแต่ของที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีแต่ของบังคับไม่ได้นะนี่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาขอคําแนะนำจากของพ่อเพิ่มเติมครับที่แยกขันได้ก็ดีแล้วละ่ะนะแต่อย่าไปประคองจิตรักษาให้มันคงที่นะให้เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่นะยขนาดนี้ยรักษาจิตอยู่ดูออกไหมก็ม จ, จับจับมันไม่ให้มัน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 นิดหน่อยครับเออนิดหน่อยก็ทราบนิดหน่อยเ <c oughs> นี <c oughs> น่ย <c oughs> มีอะไรขึ้นมารู้ทันมันรู้ทันมันไปนะรู้โลกปัจจุบันอย่าให้เหลือตัวนิ่งอยู่เวลาทำสมาธาให้มันมีตัวนิ่งเวลาเดินปัญญาปล่อยทุกตัวให้ทำงานไม่สงวนตัวหนึ่งเอาไว้อะต่อไปครับรอบคใช้ได้อยู่ดีขันแยกแล้วกรรมน้ำมาสการค่ะคืะคอรู้สึก ไม่ดีเพราะว่ามันขําควรวนแล้วก็จิตก็ไม่มีกำลังแต่มันก็มันรู้สึกว่าเหมือนกับหลงมากกว่าเดิมาหาแล้วก็มันก็จิตมันเป็นอคุศนเยอะแต่ว่ามันก็เห็นกิเลสอยู่ก็เลยมีความลังเลว่าตอนนี้มันถอยหลังหรือเปล่าลนะไม่ถอยแต่ว่ากำลังของสมาธิไม่พอจิตไม่มีแรงนะถ้าจิตไม่มีแรงเราต้องพักจิตบ้างเดินปัญญารวดไปมันจะเหนื่อย เราะนั้นเรามาพักจิตอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรงนี้ก็ก็พยายามอยู่กับพุทโธค่ะแล้วก็จริงๆทุกวันก็ทําในรูปแบบเช้าเย็นแล้วก็พยายามเพิ่มเวลาที่ที่มีโอกาสแล้วปลูกใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาหน่อยก็ <Yeah. S 1> คือที่จะกราบเรียนถามก็คือว่าบางทีวเวลาที่จิตมันไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นการตร u n มากๆเนี่ยค่ะมันรู้แต่ว่ามันไม่ถอนมันก็ใช้วิธีคิดขึ้นมานค่ะอันนี้แต่ว่ามันมันก็เริ่มจะเป็นบ่อยก็เลยคิดว่า อ้นีมันผิดอีกหรือเปล่าเนี่ยคือถ้าถ้าถ้ามันไปติดค้างอยู่ก็ต้องถ้ารู้ทันมันแยกออกไปเองอะดีที่สุดถ้ามันไม่แยกนะทำใจให้เข้มแข็งนิดนึงไม่ต้องไปคิดอะไรทำใจให้เข้มแข็งนะรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดนึงถ้าเรารู้สึกตัวเข้มนิดนึงมันจะหลุดออกมาแล้วเคยฟังหลวงพว่อที่บอกรู้สึกตัวให้เข้มนี่คือใช้ลมหายใจช่วยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าของย่เนี่ยไม่จาเป็นไม่จาเป็นหรอก แค่รู้สึกตัวขึ้นมาเท่านั้นเองตกลงว่าที่ตอนนี้อย่างตอนนี้ความรู้สึกตัวเข้มกว่าเมื่อกี้นึกออกไหมเนี่ยให้มันเข้มอย่างนี้ให้มันเข้มแข็งไว้อย่างเงี้ยก็พยายามหาอะไรที่มันช่วยบางทีนึกถึงหลวงพ่อช่วยกันแต่อย่างนั้นยิ่งอ่อนแอใหญ่เนี่ยพึ่งคนอื่นงั้นก็ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็อดไม่อย่างนี้นะแล้วก็อย่าให้ใจมันอ้อยซอยอ้อยยิงให้มันเข้มแข็งไว้เร้าความรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้มันเข้มแข็งไว้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 อีกอันหนึ่งขอกลับขอเข้ามาถ้าจิตประหมัดพลาดพลั้งพระอายาัยยะเจาและหลวงพ่อค่ะธรรมดามันไม่ยอมให้เราหลุดง่ายๆหรอก ม, มันกระตุ้นให้เราคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะกลับนมมสการค่ะหลวงพ่อแข็งขึ้นมาเลยือจิตมันแข็งขึ้นมาเลยพอพระกวนจะพูดกับหลวงพ่อเหรอคืออยากกลับขอความเมตตาหลวงพ่อตรวจกันบ้านนะคะอืเห็นใจกับใจเป็นโคลนละอันหรืม เห็นบ้างคะ่ะก็ดีแล้วล่ะเห็นใจที่แอบหนีไปคิดไหมเห็นค่ะนะรู้ตัวนี้บ่อยๆใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีแล้วคิดเรารู้น ะ, ะใจจะได้มีแรงใจมีเรื่องมีแรงแล้วก็ดูกายกับใจเขาคนละอันกันดูกายบ่อยๆเรารักสวยรักงามนะดูกายไปเรื่อยๆถ้ความรู้สึกในใจอะไรเกิดก็ค่อยรู้เอาหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้ใช้พุโทโธเป็นวิหารธรรมพุโทโธ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 มันจะมาที่กายก่อนส่วนใหญ่ได้<อ>พุโทโธแล้วก็บางทีก็ไปที่จิตบางทีก็แบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแต่ว่าเวลาพุโทโธอย่าไปประคองจิตให้นิ่งน ะ, ะคะพุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ไหลไปนะ<ข> อ, อย่า<ข> อ, อย่าไปพุโทโธเพื่อให้จิตนิ่งเพรการบ้านหลวงพ่อด้วยอะเนี่ยไปฝึกตัว น, นี้นะสมาธิยังไม่ค่อยพอหมายถึงว่าต้องนั่งสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคอยรู้ทันจิตให้บ่อยๆอ ตัวที่ทําให้เราได้สมาธิชื่อว่าจิตตสศิขานะทําให้เราได้สมาธิงั้นเราคอยรู้ทันจิตไว้พุโทโธพุโทโธไปนี่แหละพุโทโธพุโทโธจิตไปคิดแล้วรู้ทันพุโทโธพุโทโธจิตไปคิดแล้ ว, ร, ลวรู้ทันพุโทโธพุทโธเรามาเพ่งร่างกายแล้วรู้ทันพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปอกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกอาราบนะมัสตานค่ะหลวงพ่ออตือ่นเต้นค่ะ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 มีความทุกข์รู้จักไหมพอรู้ค่ะเออตอนไปนี้ง่ายๆเลยนะความรู้สึกอะไรกำลังเกิดก็รู้ทันมันบ่อยๆไ้ฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยนะค่ะอย่างใจเรามีความสุขรู้ทันใจมีความทุกข์รู้ทันใจสงบรู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจโลภโกรธหลงรู้ทันอย่างเนี้ยเมื่อคืนใจหนีไปคิดรู้ไหมไม่ค่อยรู้ค่ะไม่รู้ก็ดูกาย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 ขอให้ลุงพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะโอ้สาธุมีให้รางวัลให้ผ่อนด้วยการนมัสการค่ะตอนนี้รู้สึกว่าช่วงนี้ใจจะลอยๆฟุ้งๆไม่ค่อยมีแรงเราภาวนาดีแล้วล่ะนะ <c oughs> ออตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะจะเหมือนถ้าเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะ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 บางทีเราภาวนาดีๆก็ดันเจ็บป่วยซะแล้วเคยนั่งสมาธิเดินโงลมทําไม่ไหวแล้วอย่างนี้เขาเรียกขันธมารอีกงานหนึ่งก็คือความคิดของเรามันหลอกลวงเราทําอย่างโน้นสิทําอย่างนี้สิอันนี้เรียกว่าอาภีสังขารมารอีกงานนึงคือกิเลสมันหลอกเราเรีย ก, ยกว่ากิเลสมาร์สส่วนความตายเรียกมัจจุมารแล้วมันมีมารอีกตัวชื่อเทพปุตรมารคือไอพวกขี้ฉาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพก็ได้อิฉามันแกล้ง มันแกล้งนะทําสะกดจิตเราให้เบือๆก็ได้นะเพราะนันเราพยายามพูดโทรไว้คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ให้ใจเราเข้มแข็งเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่กลัวใครหรอกต้องสู้เอาอกาว่าจะรอดนะแต่ละคนแต่ละคนนะต้องสู้เท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็สู้มาสู้กับมารมาลากมารก็ตีกันมาตลอดในประวัติศาสตร์ <c oughs> อว่ามา ก่สมัครต้องการทั้งขาหลวงพ่อคือหนูเคยปฏิบัติหนูฟังทีที่หลวงพ่อมาค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าค่ะเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นค่ะถ้าเห็นกิเลสก็ถูกเลยเห็นกิเลสแล้วกิเลสดับเร็วไหมก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนมันจะกดเอาไว้หรือเปล่าใช่หนูไปกดไหมนะปัญหาของหนูก็คือจิตมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบไอ้ที่ไม่ดีนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ มันหงุดหงิดมันลำคาญในที่ไม่ดีนะเลยความทุกข์เกิดขึ้นก็ลำคาญรู้สึกไหมมันจะขี้ลำาคาญนั่นแหละให้รู้ทันจิตที่มันขี้ลำคาญนันะ้นนะเวลาจะภาวนาทําไปอย่างนี้ก็ลำคาญรู้ทันเมื่อลำคาญนะรู้บ่อยๆจิตจะมีพลังเป็นกลางขึ้นมาตอนนี้ปัญหาคือจิตยังไม่เป็นกลาง<ม>จิตยังเกลียดเกลียดอารมณ์บางอย่าง กราบหลวงพ่อครับอผมฝึกรู้กราบหลงไปเรื่อยๆครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งบังเอิญจะแปลงฟันทีนี้ไอ้เจ้ายาเสพติดมันกระเด็นเข้าตาอืหาแปลงอีท่าไหนวะครับพอดีเปิดเปิดไอ้จัวยาเสพติดฮะมันกระเด็นเข้าแล้วก็เข้าตอนเปิดครับที่เชื่อว่าเข้าตอนแปลงเข้าไปได้ไงมันแสบที่จนแบบ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 ก็กายก็กลับมารวมกันแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนเหมือนเดิมครับก็แล้วหายยังหายนานแล้วครับทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นก็เลยรีบไปเดินจงกรมทาอะไรต่างๆแต่พอเดินยิ่งพุงหนักกว่าเดิมมันโลภแล้วนะขับโลภไปเลยรับโลภครับก็เลยขอกันบ้านอะที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะนะอย่าโลภเท่านั้นแหละทำสม่าเสมอ ขยันแต่อย่าโลภขยันหม่ถึงขยันทำเหตุถ้าโลภเนี่ยอยากได้ผลครับนะทำถูกแล้วทราบถูกครับครั บ, รบเราฟังทมกันมาครบเวลาแล้วนะครับก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลวงชินแห่ง น, นี้กล่าวคำถวายทานครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายเครื่องปัิจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบชิ้นการลนานเทินยะถาวาริวหาปุราภริภุเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุกปกะปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามาิโชติระโสยถาสัพีติโยวิวัตชันตุสภโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันปราโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังุทาปจายโน